ตอนที่แปดสิเจ็ดทำให้พวกเขาหมอปราบคับแก้วไอพวกสะวะมีพวกเจ้าไว้จะมีประโยชน์อะไรชายวัยกลางคนรูปร่างอ้วนเฉลาะชี้หน้าดัชชนสองค น, คนที่ยืนตัวสัญญานงกเหมือนนกกระทายอยู่ตรงหน้าแค่เด็กสาวคนเดียวพวกเจ้ายังจัดการไม่ได้ค่าเสียแรงเลี้ยงพวกเจ้าไว้จริงๆเท่าแก่เท่าแก่ซุนครับตอนแรกมันเกือบจะสําเร็จอยู่แล้วเชียวแต่จูจูก็มีไอเด็กเมื่อวานซืนที่ไหนไม่รู้โผล่มาขวางเรื่องไว้เสียก่อนมันบอกว่านางเป็นน้องสาวของมัน พวกเราเลยไม่กล้าทําให้เรื่องมันบานปลายครับการจุดคร่าคนกลางแดดเจ้าเช่นนั้นหากมีคนเห็นเข้าแล้วแจ้งตำรวจเรื่องคงได้ถึงโรงพักแน่ช่างเถอะเท่าแก่ซุนโบกมืออย่างรําคาญใจไม่มีประโยชน์ที่จะมาเสียเวลากับพวกสวายอย่างพวกเจ้าเด็กสาวคนนั้นพวกเจ้าไม่ต้องไปตามจ้องนางอีกแล้วตอนนี้ถือว่าแหวกย่าให้งูตื่นนางต้องระวังตัวขึ้นแน่นอนทั้งสองคนรีพยักหน้าหงึกหงักเห็นพ้องกับที่เจ้านายพูดทุกประการ เท่าแก่ซุนมีสีหน้าเคร่งเครียดตอนนี้นนเขามีคดีความติดตัวอยู่หลายคดีจัดการได้ยากยิ่งเดิมทีเขาคิดว่าการตัดขาดความสัมพันธ์ทางการค้ากับหนิงชังเหอจนผิดใจกันนั้นเรื่องจะจบลงเพียงเท่านั้นใครจะไปคาดคิดว่าหมอนั่นจะไปติดต่อกับคู่ค้ารายอื่นจนทําให้เขาต้องขาดทุนไปเป็นพันหยวนพายในเวลาเพียงไม่กี่วันเท่าแก่แล้วเราจะทําอย่างไรกันต่อดีครับเท่าเวยถ้าข้ารู้ว่าต้องทําอย่างไรข้าจะมานั่งกลุ้มใจอยู่นี่เรอเท่าแก่ซุนสาบัทถอดผ า, างเลยตะเพิดพวกมันออกไปไป ใส่หัวไปให้ไกลที่สุดเลยนะพวกเจ้าไอหมาขี้แพ้ที่ไร้ประโยชน์ครับครับครับพวกเราจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับเท่าแก่ซุนไม่คิดเลยว่าตนเองที่มีกิจการใหญ่โตขนาดนี้กลับต้องมาเสียเรื่องเพราะเด็กสาวเพียงคนเดียวหากเขาหาโอกาสระบายความแค้นนี้ไม่ได้ต่อให้ตายเขาก็คงนอนตาไม่หลับนิ้งช้างเฮิรติดต่อหลีหวันอีครั้งในครึ่งเดือนต่อมาครั้งนี้สิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่โสมแต่เขาเอ่ยถามอย่างเชิงนางว่ายังมีสมุนไพรชนิดอื่นอีกหรือไม่ นิงช้างเหอจําได้มแม่นยําว่าตอนที่พบกันครั้งแรกหลี่หวานไม่ได้บอกว่านางจะขายเพียงแค่โสมเท่านั้นในเมื่อคุณภาพของโสมยังดีเยี่ยมขนาดนี้คุณภาพของสมุนไพรชนิดอื่นย่อมไม่ได้ไปกว่ากันแน่นอนการเจรจาธุรกิจยังคงจัดขึ้นที่ร้านของหนิงช้างเหอแน่นอนว่าหลี่หวานมีสมุนไพรชนิดอื่นนางจึงถามรายละเอียดว่านิงช้างเหอต้องการอะไรบ้างข้าเอาหมดทุกอย่างขอเพียงแค่เจ้ามีค่าจะรับซื้อไว้เองนิงช้างเหอพูดพางชะงักไปครู่หนึ่ง แน่นอนว่าต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าคุณภาพต้องดีด้วยได้นะ้ํามันได้อยู่รอค่าเพียงแต่ว่าหลิหววันพูดค้างไว้แล้วไม่กล่าวต่อซึ่งนั่นเป็นการดึงดูดความสนใจของหนิงชางเหอได้เป็นอย่างดีเจ้าว่ามาเถอะมีความลําบากใจอะไรก็บอกข้าได้โดยตรงตอนนี้ข้ายังไม่สามารถตกลงร่วมมือกับท่านในระยะยาวได้ทําได้เพียงแค่มีของดีอะไรก็นํามาขายให้ท่านเท่านั้นหากร้านของท่านขาดแคลนสมุนไพรทางที่ดีท่านควรหาคู่ค้ารายอื่นสํารองไว้จะดีกว่าค้า ลิวานกล่าวอย่างจริงจังหากนางนําสมุนไพร์ทั้งหมดในมิติลับออกมาในคราวเดียวผลลัพธ์ที่ไดย่อมสร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้คนอย่างแน่นอนและนางยังไม่อยากเป็นที่สนใจเร็วเกินไปนักตกลงนิงช้างเหอพยักหน้าอย่างคลุ่นคิดแบบนี้ก็ได้เช่นกันเสียวหวานแล้วจะมีความรู้เรื่องสมุนไพรมากน้อยแค่ไหนนิงช้างเหอถามต่อไม่มีชนิดไหนที่ข้าไม่รู้จักคะ่ะลิวานตอบกลับด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมช่างกล้าพูดนักนะ หนิงชังเฮเลิกคิ้วขึ้นถ้าอย่างนั้นเจ้าสนใจมาเป็นพนักงานตรวจสอบคุณภาพที่ร้านของข้าไหมหน้าที่หลักคือตรวจสอบว่าสมุนไพรที่รับเข้ามาคุณภาพเป็นอย่างไรแต่มีข้อแม้ว่าข้าต้องขอทดสอบเจ้าก่อนเมื่อหนิงชังเหฮกล่าวถึงตรงนี้เขาก็หยุดจังหวะไปเล็กน้อยข้าจะจ่ายเงินเดือนให้เจ้าทุกเดือนขอเพียงเจ้ามีความสามารถข้าจะไม่ให้เงินเดือนเจ้าน้อยกว่าตัวเลขนี้แน่นอนหนิงชังเอชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วห้าหยวนเลยคะลูกศิษย์ในร้านของข้ายังได้เงินเดือนตั้งสิห้าหยวน ข้าจะให้เงินเดือนเจ้าแค่ห้าหยวนได้อย่างไรแบบนั้นมันไม่เท่ากับค่าทำเรื่องไร้มโนธรรมหรอกเระอนิงช้างเหอคำกับคำคาดเดาของหลีหวานค่าหมายถึงห้าสิบหยวนงานในร้านของข้าไม่ได้ยุ่งจนเกินไปเงินห้าสิหยวนนี้ข้าให้เพราะเห็นแก่ความสามารถเป็นหลักไม่น้อยจริงๆด้วยค่ะหลี่หวานลองคิดดูเจ้างวินฉงที่เป็นผู้พันในเขตทหารก็ได้เงินเดือนประมาณนี้นิงช้างเหอมีความจริงใจมากทีเดียวใช่แล้วข้าไม่มีทางปฏิบัติไม่ดีต่อลูกน้องในมือแน่นอน หลี่หวันลังเลครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าตกลงตกลงข้าเอาตามที่ท่านว่าเดือนละห้สิบหยวนท่านอยากจะทดสอบอย่างไรคะที่ง่ายที่สุดก็คือการจำแนกสมุนไพรนิงช้างเหอพาหลี่หวันไปยังคลังเก็บสมุนไพรด้านหลังทางนี้อาจารย์ครับสมุนไพรในคลังยังจัดระเบียบไม่เสร็จเลยอย่างน้อยต้องรออีกสองวันครับนิงช้างเหอพยักหน้าให้ลูกศิษย์ก่อนจะแนะนำทั้งสองคนให้หลี่หวันรู้จกักนี่คือลูกศิษย์ของข้าสองคนเซวีเฉิงใช้กับจินหมานถัง เซวีเชิงชัยและจินมานทั้งรอบสํารวจหลีหวานพวกเขาจําเด็กสาวคนนี้ได้นางเคยมาขายสมุนไพรที่ร้านสองครั้งแต่เรื่องที่ว่าหนิงชังเหอกับหลีหวานตกลงซื้อขายกันอย่างไรนั้นพวกเขาไม่ทราบรายละเอียดนี่คืออะไรหนิงชังเห่ชี้ไปยังสมุนไพรที่บรรจุอยู่ในกระสอบตรงมุมห้องพรางถามหลีหวานหลีหวานปลายตามองเพียงแวบเดียววิสูแผ่นค่ะแล้วนั่นละ่ะหนิงชังเหอชี้ไปที่อื่นอีกหลีหวานยิงคงตอบออกมาอย่างรวดเร็ว นิงชังเหอเริ่มเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆแต่หลีวหวานก็ยังคงรับมือได้อย่างสบายๆายเซวีเชิงชัยและจินมานทั้งสองก็เริ่มตกตะลึงต้องรู้ก่อนว่าตอนที่พวกเขาต้องจําสมุนไพรเหล่านี้พวกเขาต้องท่องจำการทั้งวันทั้งคืนใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าจะจําได้หมดหลิวหวานอายุเท่าไหร่กันเชียวเด็กสาวคนนี้ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยซ้ําอายุแค่นี้แต่กลับจําสมุนไพรได้มากมายขนาดนี้ช่างเก่งกาจจริงๆ หลีหวันไม่เพียงแต่รู้จักสมุนไพรเท่านั้นแต่นางยังสามารถบอกสรรพคุณและข้อควรระวังของสมุนไพรแต่ละชนิดได้อย่างแม่นยำอีกด้วยนิ้งช้างเหอไม่ได้ทดสอบต่อตกลงเจ้าสามารถมาทํางานได้ทุกเมื่อมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามข้าได้โดยตรงทุกปัญหาสามารถพูดคุยกันได้อาจารย์ครับในร้านเราขาดคนก็จริงแต่ท่านก็ไม่จําเป็นต้องใช้เด็กหรอกมั้งครับเซวีเชิงใช้ถึงกับอึ้งเมื่อได้ยินนิงช้างเหอบอกว่าจะให้หลีหวันมาทํางานที่นี่ นางก็แค่มีอายุน้อยเท่านั้นแต่ความรู้ของนางอาจจะไม่น้อยไปกว่าเจ้าก็ได้นะนิ้งช้างเหิรหลุดคำออกมานางมาทำงานที่นี่ก็ดีเหมือนกันจะได้ช่วยกระตุ้นพวกเจ้าสองคนด้วยอยาเอาแต่ใช้ชีวิตไปวันๆในร้านของข้าขยันให้มากกว่านี้หน่อยอาจารย์ครับบางทีสมุนไพรไม่กี่ชนิดที่ท่านถามเมื่อครู่นางอาจจะบังเอิญรู้พอดีก็ได้ตอนนี้สถานการณ์ในร้านเราค่อนข้างพิเศษจะรับคนเข้ามาสุ่ม 4, สี่สุมห้าไม่ได้นะครับมันดูง่ายเกินไป งานหลักคือการรับผิดชอบจัดระเบียบสมุนไพรในยามปกติหากหลี่หวานทำผิดพลาดจะทำอย่างไรถึงตอนนั้นก็เท่ากับสร้างภาระให้ร้านและสร้างภาระให้สิทธิพี่สิทธิน้องคนอื่นๆเสี่ยววันดูเหมือนจะมีคนไม่ยอมรับในตัวเจ้านะอยากจะทดสอบอีกสักหน่อยไหมนิงช้างเห่อหันไปถามความเห็นจากหลีหวานหลีหวานส่งเสียงอืมเบาๆวันนี้ข้าว่างคะ่ะความหมายแสงของประโยคนี้ก็คือจะทดสอบอย่างไรนางก็พร้อมสู้จนถึงที่สุดได้ หนิงชังเหอพยักหน้าเขาหันไปหยิบสมุนไพร2ชนิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากออกมาแล้วให้เซวีเฉิงใจใจแหนบเป็นคนแรกดูสินี่คืออะไรเมื่อเซวีเฉิงชัเห็นของที่อาจารย์หยิบมาเขาก็เลียริมฝีปากด้วยความประม่าทันทีล้ำข้อขยับกลืนน้ำลายโดยไม่รู้ตัวนี่มันนี่มันอาจารย์ครับท่านก็ช่างเลือกแต่ชนิดที่ข้าไม่รู้จักมานะครับจนถึงตอนนี้เซวีเฉิงใจสมุนไพรได้เพียงไม่กี่ร้อยชนิดเท่านั้นแถมในนั้นยังมีชนิดที่สับสนได้ง่ายมากอีกด้วยเขาเริ่มสงสัยว่าหนิงชังเหอจงใจแกล้งเขา เสียววานนิ้งชังเฮอมองเซวีเฉิงใช้ด้วยสายตาผิดหวังพางสายหน้าแล้วหันมาถามหลีหวานเจ้าสามารถจำแนงสมุนไพรสองชนิดนี้ได้หรือไม่